ช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของเข้าพรรษาคือระยะเวลาสามเดือนตั้งแต่วันแรมหนึง่งค่ำเดือนแปดถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเ็ดเป็นระยะเวลาที่ชาวพุทธเราให้ความสำคัญ ต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการเสริมสร้างเหตุปัจจัยที่จะนำผลคือมรรคผลนิพพานมาให้เพราะผลนี้จะเกิดจากการปฏิบัติ ที่เป็นเหตุเหตุที่จะทำให้ผลปรากฏขึ้นนี้เราก็เรียกว่าธรรมธรรมนี้ก็มีหลากหลายแต่เป็นธรรมันเดียวกันต่างแต่ชื่อแต่ก็ทำหน้าที่เหมือนกันคือสร้างให้เกิดผลขึ้นมา เช่นมากแปดหรือไตศิกขาศีลสมาธิปัญญาหรื อ, อาทานศีลภาวนาหรือบารมีสิทธิทำเหล่านี้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดมากผลนิพพานขึ้นมา ในช่วงเข้าเป็นรานี้ชาวพุทธเราจึงมักจะเร่งความเพียรกันมากกว่าปกติเช่นบางท่านก็ออกบวชเป็นพระซึ่งเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธไทยเราที่ได้ปฏิบัติกันมา ตั้งแต่ยุคของปุ่าตายหญ่เป็นธรรมเนียมของชาวไทยเมื่อมีอายุครบ20ปีผู้ชายก็จะบวชพระกันสำหรับผู้หญิงก็บวชชีกันเพื่อที่จะได้มีเวลาอย่างเต็มที่ ในการสร้างบุญบารมีในการสร้างเหตุที่จะทำให้เกิดผลคือมรรคผลนิพพานขึ้นมาสิ่งที่เราควรที่จะสร้างกันก็คือทานบารมีศีลบารมี เนคมาบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีและเมตตาบารมีนี่คือสิ่งที่จะทำให้เกิดผลที่เราปรารถนากันการที่เราจะสร้างบารมีเหล่านี้ได้เราก็ต้องมี อธิษฐานบารมีก่อนอธิษฐานบารมีก็คือความตั้งใจความตั้งใจที่จะสร้างบารมีต่างๆเช่นในช่วงเขา้าพรรษานี้เราก็ตั้งสัจจะอธิษฐานกันว่าจะสร้างทานบารมีสร้างเมตตาบารมีสร้างศีลบารมี เนคขมะบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีเพราะบารมีเหล่านี้จะทำให้เราได้ผลที่เราต้องการกันนอกจากอธิษฐานบารมีความตั้งใจก็ต้องมีสัจจะบารมีความจริงใจความซื่อตรงต่อความตั้งใจ เราตั้งใจจะทำอะไรเราก็ต้องไม่เปลี่ยนใจยกเว้นในกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีเหตุภัยทางธรรมชาติที่ทำให้ไม่สามารถกระทําตามที่เราได้อธิษฐานไว้ได้พอเรามีสัจจาบารมีแล้วเราก็ต้องมีวิริยะบารามี สร้างวิรยะบารมีเพราะวิลยะนี้จะเป็นผู้ที่จะทำให้เราทำในสิ่งที่เราตั้งใจเช่นเราตั้งใจจะทำสร้างฐานบารมีพอถึงเวลาที่จะต้องทำทานเราก็ต้องทำเช่นสมมติว่าเรามีพระผ่านมาทางบ้านที่บ้านเราทุกวันเราก็ตั้งอธิษฐานไว้ว่าจะใส่บาตรทุกวัน พอตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องเตรียมกับข้าวกับปลาอาหารที่จะถวายพระเตรียมไว้พร้อมพอพระมาเราก็ได้ตักบาตรถวายอาหารไปอันนี้คือวิริยะคือเราต้องมีความอุตสาหะความภาคเปลี่ยนไม่ใช่พอถึงเวลาตื่นขึ้นมาก็ เกิดความเกลียดกล้าไม่อยากจะทำก็เลยไม่ได้ทำอย่างนี้ตั้งใจไว้ถึงแม้จะมีสัจจะแต่ไม่ได้ทำก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดผลขึ้นมาตั้งใจแล้วก็ต้องทำตามที่เราตั้งใจต้องมีความภาคเพียรถึงจะทำตามที่เราตั้งใจได้ แล้วก็ต้องมีความอดทนมีขันติบารมีบางทีเหนื่อยไม่อยากจะทําอาจจะเพราะว่าวันเมื่อคืนนี้ต้องออกไปข้างนอกกลับมาเดึกพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็รู้สึกไม่ค่อยสบายแต่ยังพอทําได้ถ้าไม่มีขันติบารมีก็อาจจะไม่ทําลย นี่คือบารมีสีข้อด้วยกันที่จะทำให้การสร้างบารมีต่างๆนี้เป็นไปได้อย่างสะดวกง่ายดายและทำให้เกิดผลที่ปรารถนาได้คืออธิษฐานบารมีสัจจะบารมีวิริยะบารมีและขันติบารมี พอเรามีบารมีทั้ง4ประการนี้เราก็จะสร้างเมตตาบารมีได้เมตตาบารมีก็คือการมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเ ด, ดรัจฉานก็ตามเวลาที่เราเกี่ยวข้องกันเวลาที่เราพบปะกันเราก็จะแผ่เมตตา ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ดีหรือไม่ดีเกิดขึ้นเราก็จะไม่คิดร้ายต่อบุคคลต่างๆเช่นบางทีเขาอาจจะพูดอะไรที่ทำให้เราไม่พอใจหรือทำอะไรให้เราไม่พอใจเราก็ต้องรั ง, งับความไม่พอใจด้วยการให้อภัยด้วยการไม่จองเวร อย่างนี้เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาบารมีหรือเรามีอะไรเราแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเรามีขนมมีข้าวของมากเกินไปเราก็เอาไปฝากคนที่เรารู้จักอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาเหมือนกันคือให้ความสุขแก่ผู้อื่น ดังบทสวดที่เราสวดกันว่าสาเพสัตตาอเวราหโนตุคือจจงอย่ามีเวรกันเถิดอัปยาปัชาหโนตุจงอย่าเบียดเบียนกันเถิดอย่าทำร้ายกันเถิดอันนี้คาโหรุขอให้มีความสุขกายและสุขใจเถิด การให้ข้าวของแก่ผู้อื่นก็เหมือนกับการให้ความสุขกายและสุขใจแก่ผู้อื่นนี่คือเมตตาบารมีที่เราควรที่จะใช้ตลอดเวลาเวลาที่เราพบปะกับบุคคลต่างๆแม้แต่เดรัจฉานก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องให้ความเมตตาไม่ใช่ให้ความโหดร้ายทารุณ เจอมดก็จะฆ่ามดที่ยุงก็จะฆ่ายุงอย่างนี้เสียกวายัางไม่มีความเมตตาเพราะว่าถ้าเราไม่มีความเมตตาเราจะสร้างบา ร, รมีอย่างอื่นได้ยากเช่นทานบา ร, รมีคือการให้ผู้ที่ให้ได้นี้ต้องเป็นผู้มีความเมตตาถึงจะให้ได้ ถ้าไม่มีความเมตตาจะให้ไม่ได้โดยเฉพาะคนที่เราโกรธคนที่เราเกลียดเวลาเขาตกทุกข์ได้ยากเหลือร้อนเช่นเวลาเกิดภัยพิบัติขึ้นมาไฟไหม้เขาไม่มีบ้านอยู่ไม่มีปัจจัยสี่ถ้าเรามีความเมตตาถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบเขา แต่ความเมตตานี้จะทำให้เร า, าให้อาภัยเขาได้ไม่ถือโทษกดเครื่องทำให้เราให้การช่วยเหลือกับเขาได้การช่วยเหลือนี้ก็การช่วยเหลือผู้อื่นนี้ก็เรียกว่าทานบารมีการให้ให้ประโยชน์ให้ความสุขแก่ผู้อื่นตามกำลังของเรา มีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยถ้าไม่มีเลยก็ไม่ก็ไม่ต้องให้เพราะไม่มีอะไรจะให้นี่คือเรื่องของทานบารมีที่เป็นขั้นแรกของบารมีต่างๆขั้นที่สองก็คือศีลบารมีศีลบารมีก็คือศีลห้าการรักษาศีลห้า ก็คือการละเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองก็ออกมาจากเมตตาบารมีเช่นเดียวกันอั บ, บยาปชาโหตุจงอยาเบียดเบียนกันการไม่เบียดเบียนกันก็คือการไม่ฆ่ากันการไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่นที่เขาไม่อนุญาตการไม่ประพฤติผิดโดยณีการไม่พูดปลดมดเท็จโกหกหลอกลวง การไม่ดื่มสุรายาเมาที่จะทำให้ขาดสติที่จะไม่สามารถยับยั้มหักห้ามจิตใจความคิดที่จะไปคิดทำร้ายผู้อื่นพอไม่พอไม่มีสติยับยั้งพอคิดจะทำร้ายก็จะทำร้ายเลยแต่ถ้าไม่ได้ดื่มสรามีสติประครับประคองใจไว้ เวลาใจคิดไปในทางที่ไม่ดีก็ระ ง, งับความคิดไว้ได้เมื่อระ ง, งับความคิดได้การกระทำที่ไม่ดีก็จะไม่เกิดขึ้นก็จะรักษาศีลได้จะไม่ฆ่าได้ไม่ลักทรัพย์ได้ไม่ประพฤติผิดตัวบัญีได้ไม่โกหกหลอกลวงได้นี่ก็บารมีขั้นที่สองต่อจากทานบารมี อันที่สามก็คือในคัมะบารมีก็คือการละเว้นจากการหาความสุขทางกามารม์ต่างๆทางกามคคณห้าคือทางตาหูจมูกเิ่นกายก็คือต้องรักษาศีลของนักบวชก็คือศีลแปดขึ้นไป สี่ง น, นี้คือสินของนักบวชเป็นในขมบมบารมีเพราะสิ่น8แปนี้จะจะปิดประตูหรือจะยับยั้งการหาความสุขทางตาหูจะมองดึงกายเช่นสีลข้อสามปกติถือว่าเป็นไม่ประพฤติผิดประเวณีคือจะไม่หลับนอนกับบุคคลที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองของตน แต่ถ้าถือศีลแปดศีลข้อนี้ก็จะเป็นอพรามจรรยาเวรมนีก็คือจะระงับการร่วมหลับนอนกับทุกคนกับคู่ครองของตนจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันจะหาความสุขจากการสร้างอุเบขาบารมีคือการทำใจให้สงบถ้าเรา มัวแต่เสพการอยู่มัวแต่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราเราก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาเราก็ต้องละลืมการร่วมหลับนอนกันแล้วก็เพิ่มสีข้อที่หกก็คือการไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว เพาการรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายก็จะเป็นนิวรณ์เป็นอุปสรรคต่อการสร้างอุเบกขาบารมีคือการนั่งสมาธิเวลานั่งจะมีความง่วงเหงาหงานอนนั่งหลับนั่งสะบะงกแล้วจะมีความรู้สึกเกลียดคร้านไม่อยากจะนั่งเวลารับประทานอาหารนี่แล้วก็อยากจะนอน หนังตาหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนแต่ถ้าเรารับประทานอาหารพอประมาณเช่นไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วพอช่วงบ่ายๆท้องก็จะว่างจะเบาเวลานั่งสมาธิก็จะไม่รู้สึกง่วงเหงาหานอนอันนี้ก็คือเสียงข้อหกสียงข้อเจ็ด ก็คือเราจะไม่เสียเวลาให้กับการหาความสุขทาง ม, ม, ม, มหัศรพและทางบันเทิงต่างๆเช่นการดูภาพยนตร์บริการออกไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆหรือไปรับประทานอาหารไปงานเลี้ยงต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องระ ง, งับไว้ถ้าเราอยากจะมีเวลามา บำเพ็ญอุเบกขาบารมีก็คือมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบนั่นเองถ้าเรายังต้้งออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ไปรงภาพยนตร์ไปไปฐานบันเทิงไปร่วมงานเลี้ยงต่างๆเวลาที่เราจะมาภาวนาก็จะไม่มี และเวลากลับมาจากงานเลี้ยงก็จะเหนื่อยอยากจะนอนพระพุทธเจ้าจึงต้องให้พวกเราะจะเริญใน้ัมมะอบารมีคือถือศีลข้อที่เจ็ดนี้นอกจากการไม่หาความสุขจากการบันเทิงแล้วก็ยังไม่หาความสุขจากการเสริมสวยร่างกายด้วยเสื้อผ้าอภารรที่วิจิตรพิสดาร ด้วยเครื่องสำอางน้ำมันน้ำหอมอะไรต่างๆเพราะจะเป็นการเสียเวลาไม่ได้ประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์ทางร่างกายกับประโยชน์ของกามอารมณ์แต่ไม่ได้เป็นประโยชน์ในการที่จะสร้างอุเบกขาบาลมีทำใจให้สงบทำใจให้เป็นอุเบกขาอันนี้ก็ต้องละเว้นกัน แล้วข้อที่8ก็คือการหลับนอนก็ไม่ควรหลับนอนมากจนเกินไปวิธีที่จะทำให้ไม่หลับนอนมากจนเกินไปก็คือต้องไม่นอนบนที่นอนที่สบายเกินไปเช่นที่นอนที่บนฟูกหนาๆเวลานอนแล้วมันมีความสุขสบายปกติร่างกายนี้ถ้าพักผ่อนหลับนอนก็ไม่มาก ไม่ใช้เวลามากสี่ห้าชั่วโมงก็จะพอถ้านอนบนฟูกหนาๆนะพอร่างกายได้รับการพักผ่อนพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาแต่ใจจะไม่อยากจะลุกเพราะพรรู้สึกสบายกับการนอนบนฟูกหนาๆนะก็จะนอนต่อไปอีกสี่ห้าชั่วโมงทำให้ต้องเสียเวลาที่จะเอามาใช้ในการบาเพ็ญ สมถะภาวนาคือเจรราบรเบขาบาลมีถ้าไม่ต้องการจะนอนมากเกินความต้องการของร่างกายก็ต้องนอนบนพื้นแข็ ง, ขงพื้นที่ไม่ไม่สุกไม่สบายนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายร่างกายนี้จะนอนบนพื้นไม้พื้นแข็งก็หลับได้สบายเวลาร่างกายเหนื่อยแล้ว อยู่ในอิรยาบทไหนก็หลับได้พอหลับแล้วก็พอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายบางท่านบางองค์นีท่านถือเนท่านถือเ น, น, นสัชชิกก็มีคือท่านจะถือสามอิรยาบททนั้นคืออิรยาบดเดินยืนกับนั่งจะไม่ไม่ให้นอน ถ้าจะหลับก็ขอให้หลับในสามียิยาบทนี้ให้หลับในท่ายืนในท่านั่งหรือในท่าเดินถ้าถือสามียิยาบทนี้การหลับพักผ่อนของร่างกายก็จะไม่นานเจ้าเวลานั่งก็อาจจะหลับสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะเต่งขึ้นมาท่านก็จะได้นั่งสมาธิต่อไปได้นะครันี่คือในกรรมบารมี K B R M. คือการออกจากกามมรสุขการไม่หาความสุขทางลูกเสียงกลิ่นรสผลถะพระ ท, ทางตาหูจมูกร่างกายเพราะเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปต้องคอยเติมอยู่เรื่อ ย, อยถ้าเป็นตุ่มน้ำก็เหมือนเติมตุ่มน้ำที่มีรอยรั่ว เติมน้ำเข้าไปเท่าไหร่ก็จะไม่สามารถเก็บน้ําไว้ได้เติมน้ําให้เต็มตุ่มปั๊บทิ้งไว้สักระยะหนึ่งน้ําก็จะรั่วไหลออกไปหมดก็ต้องมาเติมใหม่อยู่เรื่อยๆนี่คือเรื่องของการอารมณ์เป็นอย่างนี้ความสุขทางการอารมณ์นี้เหมือนความสุขในตุ่มน้ําที่มีรอยรั่วสุขเดี๋ยวเดียวเติมน้ําเข้าไป เต็มตุ่มก็เต็มเดี่ยวเดียวสักคู่หนึ่งทิ้งไว้สักพักหนึ่งน้ำก็จะไหลออกไปหมดก็ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยถ้ายังมีความสามารถที่จะเติมอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไม่มีความสามารถเช่นร่างกายชะลาภาพหรือเจ็บไข้ได้ป่วยการที่จะเติมความสุขเหล่านี้ก็จะเป็นไปได้อย่างยากเย็นลาบาก แทนที่จะเป็นความสุขก็จะกลายเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะว่าสังขารร่างกายไม่เอื้ออำนวยและถ้าทุกข์เพราะว่าไม่สามารถเติมได้ถ้าร่างกายไม่ทำไม่ไหวแล้วอันนี้คือความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่นำไปสู่ความทุกข์ผู้ที่จะหลาดจึงควรที่จะละเว้น จากการหาความสุขแบบนี้คนรจะหาความสุขที่เกิดจากการสร้างอุเบกขาบาลมีเพราะผู้ที่มีอุเบกขาแล้วใจจะมีความอิ่มมีความสุขและการสร้างอุเบกขาบาลมีนี้ก็ไม่ต้องใช้ร่างกายปัจจัยที่จะสร้างอุเบกขาบาลมีนี้เรียกว่าสติสตินี้ก็เป็นสิ่งที่ มีอยู่ในตัวของเราเราไม่ต้องอาศัยอะไรไม่เหมือนกับความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายทางรูปเสียงกกินลดต้องมีทั้งตาหูจมูกเิ้นกายที่ดีต้องมีรูปเสียงกกิดลดผลพระที่ถูก อ, อกถูกใจถึงจะได้ความสุขแต่การหาความสุขทางกายทางร่างกายนี้ก็อย่างที่พูดเหมือนเป็น มันมีอุปสรรคมันมีไม่ไม่มีความแน่นอนบางทีตาหูจมูกเล่นกายดีแต่ไม่มีปัจจัยคือเงินทองที่จะไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพาร์ที่ทกถูกอกถู ก, ถ ก, ถ ก, ถ ก, ถกใจได้ก็ไม่สามารถหาความสุขได้แต่ความสุขทางใจนี้ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ่นกาย ไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสปวดกพาะใช้สติเพียงอย่างเดียวผู้ที่อยากจะเจริญอุเบกขาบารมีอยากจะทำใจให้สงบให้รวมเป็นหนึ่งเป็นเอกขตกระตาลมศักแต่ว่ารู้จำเป็นจะต้องเจริญสติอย่างสมบุกสมบอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับควรที่จะควบคุมความคิด ไม่ให้คิดร้วยเปลยเพราะความคิดถ้ายังมีการคิดอยู่ใจจะไม่สามารถรวมเป็นอุเบกขาได้ใจจะรวมลงเป็นอุเบกขาได้ตก็ต่อเมื่อใจอยู่กับอารมณ์เดียวมีอารมณ์เดียวเช่นอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรืออยู่กับการดูร่างกายเฝ้าดูร่างกายในทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหว อย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นให้ใจิตเฝ้าดูการกระทาของร่างกายไม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็ให้รู้อยู่กับกิจกรรมนั้นถ้าเฝ้าดูอยู่กับกิจกรรมนั้นใจก็จะไม่สามารถที่จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็แสดงว่าไม่ได้อยู่กับกิจกรรมของร่างกายแล้วบางทีเราก็ต้องใช้หลายอย่างช่วยกัน ตาเฝ้าดูร่างกายแล้วมันยังวัดไปคิดเร่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่ก็ใช้พุโทโธกลักลับเข้ามาคือเราเฝ้าดูการกระทําของร่างกายเราแต่ใจเรายังวัดไปคิดอย่างนั้นเย่องนี้เราก็เดินกลับมาด้วยการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธควบคู่กันไปดูร่างกายด้วยแล้วก็บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปด้วย เพื่อที่จะดึงให้ใจอยู่ในปัจจุบันเพราะการที่ใจจะเข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขาได้นี้ต้องตั้งอยู่ในปัจจุบันต้องไม่มีความคิดตุ่มแต่งต่างๆนี่คือเวลาที่เรายังไม่ได้นั่งสมาธิเราจะใบกมพุโทโธก็ได้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้เวลานั่งสมาธิหลับตาเราก็จะใช้การดูลมหายใจ แทนดูร่างกายก็ได้หรือจะใช้การบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปก็ได้หรือจะทําพร้อมกันทั้งสองอย่างก็ได้พุทเข้าโทออกก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธอันนี้อยู่กับความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติวิธีไหนที่ทําแล้วทําให้ใจไม่คิดทําให้ใจตั้งมั่นอยู่กับอา ร, รมณ์เดียวก็ให้ใช้วิธีนั้นไปแล้ว ใจก็จะรวมลงสูอุเบกขาได้พอใจเป็นอุเบกขาแล้วก็จะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอแต่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นอุเบกขาชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาถ้าไม่คอยรักษาอุเบกขาไว้อุเบกขานี้ก็จะจางหายไปได้ วิธีที่รักษาอุเบกขาก็รักษาได้สองวิธีรักษาด้วยสติแลอรักษาด้วยปัญญาคือสร้างปัญญาบารมีขึ้นมาถ้าใช้สติก็เป็นการรักษาแบบชั่วคราวเราก็ต้องเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อไปต้องบริกรรมพุทโธพุทโธต่อไปใจก็จะได้ไม่ไปคิดปุุงแต่งไม่ทาให้เกิด หาความอยากต่างๆขึ้นมาถ้าไม่มีความอยากปรากฏขึ้นมาอุบเบกขาก็ยังจะตั้งอยู่ใจก็ยังจะว่างยังจะสบายอยู่แต่ถ้าเราอยากที่จะรักษาอุบเบกขาที่เราได้จากการนั่งสมาธิให้คงอยู่อย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องบริกรรมโดยที่ไม่ต้องเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย ไม่ต้องเจริญสติเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญานี้ก็มีไว้เพื่อที่จะแก้วความหลงของใจที่ยังหลงคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้ความสุขกับตนเช่นรูปเสียงกลิ่นรสพลตภะยังคิดว่าให้ความสุขกับตนอยู่ ก็ต้องให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าความสุขที่ได้รับจากสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นเหมือนกับที่ได้ยกตัวอย่างไว้ก็เหมือนกับความสุขในตุ่มน้ำที่มีรอยรั่วที่จะต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆการที่จะต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆนี้ก็เป็นความทุกข์แล้วเพราะเป็นงานเป็นการที่ที่จะต้องทำสิ่งที่เราต้องการก็คือเติมน้ำให้เต็มตุ่แล้วก็ จบไม่ต้องเติมอีกต่อไปได้ความสุขแล้วก็ให้มันคงอยู่ไว้ตลอดไม่ให้มัมีวันหมดจะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขแบบนี้ได้นอกจากความสุขใจที่เกิดจากการการทําใจให้สงบทําให้เกิดอุบเบกขาขึ้นมาแล้วก็รักษาอุบเบกขานี้ด้วยปัญญาก็คือการระ ง, งับความอยากต่างๆ ด้วยการสอนใจไม่ให้ไปเห็นว่าสิ่งต่างๆในเโลกนี้ให้ความสุขกับตนถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะไม่ก็จะไม่เกิดความอยากไม่อยากจะหาความสุขทางต า, งตางหูจมูกร่างกายไม่อยากจะหาความสุขกับบุคคลนั้นบุคคลนี้หรือสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้นี่คือปัญญาบารามีเราต้องสอนใจให้มองทุก ให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตายรักนี่เห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่เทีย่ยวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปอนัตตาก็คือเราไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาให้อยู่กับเราได้ตลอดเวลาไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่เราให้ความสุขกับเรานี้ก็จะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการหมดสภาพไป เวลาเขาหมดสภาพไปเขาก็จะไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้พอเราอยากได้ความสุขเราก็จะไม่ได้เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือการใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้หลงไหลกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็น ร, รูเปนนเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนุนเป็นอนิจจันต้วุนเป็นอนัตตา ล้วนเป็นทุกข์ขังไม่ได้ให้ความสุขอย่างเดียวมีความสุขมีความทุกข์ตามมาทีหลังถ้าไม่อยากจะเจอความทุกข์ก็อยากไปหาความสุขจากสิ่งตีสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะมันเป็นผลต่อเนื่องกันเวลาใดที่เราไม่สามารถเติมความสุขทางตาหูจมูกริ้งกายได้เวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา เหมือนถ้าเราไม่สามารถเติมน้ำให้เต็มตุ่มได้เวลาน้ำมันหมดตุ่มเราจะใช้น้ำก็ไม่มีน้ำให้เราใช้เราก็จะเดือดร้อนจากการขาดน้ำเราก็จะทุกจากการขาดความสุขทานตาหูจมูกเลี้ยกายนี่คือการใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เนือ ง, เ, องเพื่อที่จะเตือนสติเตือนใจไม่ให้ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆนอกใจ ให้หาความสุขภายในใจความสุขภายในใจก็คืออุเบกขาโดยการเจริญสติในเบื้องต้นเพื่อที่จะทำให้จิตรวมเข้าสู่ความสงบพอจิตรวมเข้าสู่ความสงบก็จะได้อุเบกขาบาลนีและได้ความสุขจากอุเบกขาบารนีที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้นัตติสันติบาลังสุขขัง ไม่มีสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจอันนี้พอเราได้แล้วเราก็ต้องสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาเพราะสิ่งที่จะทำลายความสุขอันนี้ไปก็คือตันหาความอยากตันหาเช่นกามตันหาความอยากในรูปเสียงเิ่ง น, นัเราก็ต้องระงับมันสอนให้ใจรู้ว่าความสุขแบบนี้เป็นความสุขพร้อม เป็นเป็นความทุกแท้เพราะต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะต้องมีวันหนึ่งที่จะไม่สามารถเติมมันได้เวลานั้นก็จะไม่มีความสุขเลยเช่นคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวนี้นังทีร่างกายก็ยังแข็งแรงอยู่แต่เขาไม่มีกำลังใจที่จะอยู่ต่อไปเขาต้องฆ่าตัวตายเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะหาความสุข ตามที่เขาเคยหาได้เพราะว่าเขาหมดเครื่องไม้เครื่องมือคือเงินทองหรือบางกรณีก็ร่างกายเสื่อมสภาพไปเป็นอามาเพิกเอามาพาดไม่สามารถที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ก็เกิดความทุกข์ตลอดเวลาจนทนไม่ไหวก็ถึงกับต้องค่าตัวตายไปนี่คือ ความสุขที่เกิดนี่คือผลที่เราจะได้รับจากกามตัณหาการกระทําตามความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ให้เราพิจารณาให้เห็นโทษแล้วเราจะได้นงับตัณหาตัวนี้ได้ตัณหาตัวที่สองก็คือภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากใหญ่อยากโตอยากร่ำอยากรวยอยากมีหน้ามีตาอยากมีเกียรติยศ อ, อยากเหล่านี้ก็จะเป็นอันตรายเพราะว่ายศถาบรรดาศักสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เป็นของชั่วคราวเหมือนกันเป็นของที่ไม่แน่นอนมีเจริญได้ก็มีเสื่อมได้เวลาเสื่อมนี้ก็จะมีความทุกข์ทรมานใจแต่ถ้ารู้ไว้่วงหน้าก่อนแล้วไม่ไปยึดติดกับสิ่งที่มีอยู่ก็จะไม่เป็นปัญหาอะไร เช่นเตรียมตัวเตรียมใจรับกับสภาพเปลี่ยนที่ต้องเปลี่ยนไปจากการเป็นใหญ่เป็นโตก็กลับมาเป็นคนธรรมดาจากการที่มีตำแหน่งสูงส่งก็กลับมาเป็นคนที่ไม่มีตำแหน่งสูงส่งให้พิจารณาควา ม, แ, มแน่นอนของสิ่งต่างๆที่เราอยากมีอยากเป็นให้พิจารณาให้เห็นว่าเราไปควบคุมบังคับไปสามเขาไม่ได้ เขาจะขึ้นเขาจะลงเขาจะอยู่เขาจะไปเราไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะได้ไม่อยากได้เราก็จะตับ آ, ภาวะตัณหาได้คือความอยากมีอยากเป็นได้ส่วนความอยากที่สามก็คือวิภวตัณหาก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คือไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตาย แต่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาเราก็จะเห็นว่าเราก็ห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้เรื่องของความแก่ความเจ็บความตายร่างกายนี้เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ไปเป็นธรรมดาย่อมเจ็บไข้ได้ป่วยไปเป็นธรรมดาย่อมต้องตายไปเป็นธรรมดาไม่มีใครที่จะสามารถที่จะห้ามความแก่ความเจ็บความตายได้ ถ้าเกิดมาแล้วก็ต้องเตรียมตัวแก่เตรียมตัวเจ็บเตรียมตัวตายกันทุกคนถ้าเตรียมตัวได้ก็จะระ ง, งับวิภาวะปัญหาได้คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ยอมรับความจริงว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าระ ง, งับวิภาวะตัญหาได้ก็จะไม่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาใจก็จะเป็นอุเบกขาเวลาร่างกายเป็นอะไรก็จะไม่เดือดร้อน เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ท่านตายนี้จิตใจท่านจะเป็นอุบเบกขาสักแต่่รู้จะเป็นปรมาังสุขขังใจจะสุขตลอดเวลาเพราะไม่มีตัณหาคือวิภัสสตันหาเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมีความสามารถที่จะปล่อยวางร่างกายได้ ร่างกายจะแก่ก็ปล่อยให้แก่ไปร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าห้ามไม่ได้ถ้ารักษาไม่ได้ก็ปล่อยไปเช่นเดียวกับความตายถ้าห้ามไม่ได้ป้องกันไม่ได้ก็ปล่อยไปแต่ใจนี้จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะไม่มีวิภาวะตัณหาอยู่ในใจเพราะมีปัญญาที่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังไม่เทีย่ยงเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตา ไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ซึ่งโดยปกติคนที่ไม่มีปัญญาจะคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเพราะเราสามารถสั่งร่างกายให้ทาอะไรต่างๆได้เราก็เลยคิดว่าเป็นตัวเราของเราแต่เราลืมไปว่ามีบางอย่างที่เราสั่งไม่ได้สิ่งที่เราสั่งได้เช่นสั่งให้ร่างกายมาที่นี่สั่งให้ร่างกายไปที่นั่น สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเราพอจะสั่งได้แต่บางเวลาก็สั่งไม่ได้เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยสั่งให้มาที่นี่ก็มาไม่ได้เพราะต้องอยู่ที่โงรงพยาบาลอันนี้เราต้องพิจารณาให้รอบก็อบให้เห็นว่าความจริงแล้วร่างกายนี้เราสั่งไม่ได้เสมอไปในที่สุดเราจะสั่งไม่ได้ เวลาที่เขาแก่เราสั่งให้เขาไม่แก่ไม่ได้เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยสั่งให้เขาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เวลาเขาตายห้ามเขาไม่ได้ถ้ามีวิภาวะตัณหาความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะมีความวุ่นวายใจมีความทุกข์ทรมานใจกันอย่างมากถ้ามีปัญญาระ ง, งับวิภาวะตัณหาได้ใจก็จะมีอุเบกขาก็จะสัตว์แต่ว่า ใจก็จะเฉยๆกับความแก่ความเจ็บความตายนี่คือปัญญาบารามีที่จะเจริญต่อจากอุเบกขาบารมีก่อนที่จะเจริญอุเบกขาบารามีก็ต้องเจริญเนยขมมะบารามีเผื่อต้องมีสิลแปดสินนักบวชก่อนที่จะมีสินแปดสินนักบวชได้ก็ต้องมีสินห้าก่อนสินของนักบุญก่อนก่อนที่จะเป็นนักบวชก็เป็นนักบุญก่อน นักบุญก็คือทำทานรักษาศีลห้าพอทำทานรักษาศีลห้าได้อย่างเป็นปกติแล้วก็ก้าวขึ้นสู่ขั้นต่อไปขึ้นก้าวจากขั้นของนักบุญขึ้นมาเป็นขั้นของนักบวชตอนต้นก็ทำแบบลองชิมลางไปก่อนเช่นอาทิตย์หนึ่งก็ทำสักวันหนึ่งในวันพระปกติถือศีลห้า พอวันพระ ก, ก็มาถือศีลแปดเพื่อที่จะได้มาบำเพ็ญเมตธรรมบาลมีกับอุเบกขาบาลมีและปัญญาบาลมีถ้าเป็นนักบุญก็ยังไม่ต้องบาเพ็ญถึงขั้นนั้นนักบุญก็บาเพ็ญทางบารมีกับศีลบาลมีไปก่อนก่อนที่จะเป็นนักบวชได้ต้องเป็นนักบุญก่อนถ้ายังรักษาศีลทาไม่ได้ ท, ทาทางไม่ได้จะไปรักษาศีลแปดได้อย่างไร จะไปบำเพ็ญเมตคำะบารามีได้อย่างไรต้องรักษาศีลห้าต้องทำทานให้ได้ก่อนต้องมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายก่อนถึงจะทำทานได้ทำทานได้แล้วก็จะรักษาศีลได้พอรักษาศีลห้าได้แล้วก็เริ่มขยับเข้าสู่การรักษาศีลแปทำจากน้อยไปหามากตอนต้นก็เอา อาทิตย์ละวันแล้วต่อมาถ้าเห็นเห็นผลเห็นคุณค่าของการรักษาศีลเห็นคุณค่าของการภาวนาทำใจาให้เป็นอุเบกขาทำใจาให้มีปัญญาก็ทำเพิ่มขึ้นอาจจะเพิ่มเป็นสามวันหรือจกี่วันก็แล้วแต่ที่จะสามารถทำได้หรืออย่างในช่วงเข้าพรรษาก็อาจจะ บำเพ็ญตบลาทั้งสามเดือนเลยก็ได้บางท่านก็พอถึงช่วงเข้าพรรษาก็จะไปจองที่อยู่ตามวัดกันไปอยู่จำพรรษากันบางท่านก็บวชเป็นพระบางท่านก็บวชเป็นชีอันนี้จะบวชในรูปแบบไหนมันก็เป็นการเจริญบารมีแบบเดียวกันก็คือเจริญในขมมะบารมีเจริญอุเบกขาบารมี จะเรนปัญญาบาลมีเหมือนกันดังนั้นเรื่องของเพศของของวัยของสถานภาพของนักบวชยังไม่มีความสําคัญเท่ากับบารมีที่จะต้องสร้างสร้างเหมือนกันเพียงแต่ว่าสถานภาพในการสร้างนี้มีความต่างกันตามตามความาสมมุตินิยมเท่านั้นเอง เป็นผู้หญิงสมัยนี้ก็บวชภิกโุณีไม่ได้ก็ต้องบวชเป็นชีไปผู้ชายยังบวชเป็นพระได้ก็บวชเป็นพระไปบางท่านก็ไม่บวชเป็นชีก็เป็นอุบาสิกาไปนุ่งดำหมขาวไปถ้าบวชเป็นชีก็นุ่มขาวห่มขาวโคนสีรษะถ้าบวชเป็นพระก็นุ่งเหลืองผมเหลืองอตรงศีตรงศีรษะ ก็เหมือนกันงานที่ทําก็งานันเดียวกันก็คือการเจริญเนคขมะปรมีถือสิ่งของนักบวชแล้วก็เจริญอุบเบกขาบารมีก็คือการเจริญสติเพื่อทําใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วก็ให้รักษาความสงบเวลาออกจากสมาธิมาด้วยการเจริญปัญญาเพื่อที่จะสะกัดห้ามปัญหาความอยากต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นมาไม่ให้เกิดขึ้นมาถ้าไม่มีตานหาแล้วอุเบกขาก็จะคงอยู่ต่อไปใจก็จะสงบต่อไปถ้ามีอุเบกขาแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตนเองหรือเกิดขึ้นกับผู้อื่นคนอื่นเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะเป็นอะไรเขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายเราก็จะรู้สึกเฉย เราจะแก่เราจะเจ็บเราจะตายเราก็จะรู้สึกเฉยๆเพราะรู้ว่าทำอะไรไม่ได้นั่นเองไปห้ามไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงไม่ได้ไปวุ่นวายใจไปเดืเอดร้อนใจก็ไม่ได้เ ป, เปลี่ยนแปลงความจริงเขาก็แก่เขาก็เจ็บเขาก็ตายอยู่อย่างนั้นเหมือนกันทำไปทำไมทําล้วทุกไปเปล่าๆทำไปแล้วก็เดือดร้อนอันนี้แหละคือ ผลที่เราจะได้รับจากการที่เราสร้างอธิษฐานส ร, ร้างสัจจะอธิษฐานแล้วก็สร้างติดตามตามด้วยวิริยะบาลมีและขันติบาลมีเราตั้งใจจะทําทอะไรเราก็รักษาความตั้งใจนั้นไว้ด้วยการกระทําที่ไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยอย่างที่หลวงตาท่านพูดว่าสู้ไม่ถอยผู้ที่สู้ไม่ถอยนั่นแหะคือจะเป็นผู้ที่จะชนะ ผู้ที่สู้แล้วถอยก็เป็นผู้ที่แพ้เพราะจะไม่มีวันที่จะชนะได้ขึ้นไปชกสองสามหมัดก็ยกธงขาวแล้วอย่างนี้ก็แพ้ตลอดเลยนะแต่ถ้าสู้ไม่ถอยก็ต้องชนะเขาอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของการบาเพ็ญการปฏิบัติของชาวพุทธเราโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษาเราจะมีการ สร้างสัจจะอธิษฐานกันว่าจะสร้างบารมีในระดับไหนกันเป็นกรณีพิเศษเช่นอย่างที่พูดไว้บางท่านก็บอกไปอยู่วัดเลยไปเจริญนิขครมมบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีจะเป็นอุบาสิกาก็ได้เป็นแม่ชีก็ได้เป็นพระก็ได้หรือจะเอาเพียงอาทิตย์ละหนึ่งวันก็ได้ ทุกวันพระเราก็มาเจริญเมตตบารมนีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมนีกันสมัยนี้วันพระมันไม่สะดวกเพราะว่าตามปฏิทินเป็นจันทรคติซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดการทํางานของพวกเราเราก็ต้องปรับให้มันเข้ากับสภาพปัจจุบันก็เอาวันหยุดทํางานของเรานี้เป็นวันพระแทนวันไหนเป็นวันหยุดของเราเราก็เอาวันนั้นเป็นวันพระ พ่อเป็นวันที่สะดวกต่อการบำเพ็ญบารมีนี่เองวันนั้นเราก็จเจริญในคข ม, มะบารมีอุเบขาบารมีปัญญาบารมีไม่อยงนั้นเราจะถูกกิเลสคอยม า, อ, าอ้างว่ า, าวันพระก็ตามต้องทำงานเช่นวันพระไปตรงกับวันทำงานก็เลยไม่สามารถที่จะหยุดได้ต้องไม่สามารถที่จะมาเจริญบารมีต่างๆได้ก็เลยไม่เจริญ พอถึงวันหยุดก็ทําเป็นลืมไปพอถึงวันเสาร์อาทิตย์ก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปว่าเป็นวันที่ทําได้แต่ก็มาอ้างว่ามันไม่ใช่เป็นวันพระคิดว่าการจะสร้างบารมีนี้ต้องสร้างาเฉพาะในวันพระเท่านั้นเพราะในสมัยนี้บางวัดท่านก็นยังติดอยู่กับเรื่องของวันพระอยู่เช่นถ้าไม่ใช่เป็นวันพระก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่วัดได้ วัดนี้เขาจะให้ญาติโยมไปถือศีลกันในวันพระไปนอนในอุโบสถกันเรียกว่าไปถืออุโบสถศีลกันแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์บวชก็จะปิดพระก็จะไม่มีการแสดงธรรมเทศนางั้นทางาศาสนาคือทางวัดนี้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ พุทธศาสนิกชนที่มีความปรารถนาที่จะบำเพ็ญเพียรในวันหยุดการทำงานของเขาทางวัดก็ควรที่จะปรับวันเสาร์วันอาทิตย์ให้เป็นวันพระขึ้นมาก็คือให้มีกิจกรรมเหมือนกับวันพระอย่างที่วัดนี้ก็เราก็พยายามที่จะให้มีการแสดงธรรมเทศนาทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์และวันวันพระแล้วก็ญาติโยมก็สามารถที่จะมาอยู่บาเพ็ญได้ ตลอดเวลาท่านนี้ที่ว่างนี่ก็มาอยู่ได้อยู่ได้ครัง้งละไม่เกินเจ็ดวันอย่างน้อยก็สามวันก็จะสะดวกเพราะว่ายาโยมเดี๋ยวนี้ก็จะหยุดวันเสาร์อาทิตย์กันก็จะมาวัดมาบำเพ็ญบา ร, รมีต่างๆในวันหยุดละนในวันหยุดการทำงานกันถ้าวัดไม่เปิดก็จะไม่ทำไม่ได้บางวัดนี้จะเปิดแต่เฉพาะวัน พระเท่านั้นคือวันพระจะเปิดให้ญาติโยมมาอยู่วัดได้มาปฏิบัติข้างแรมที่พระอุโบสถได้แตถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะไม่มีกิจกรรมเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของอ น, นิจจังคือความเปลี่ยนแปลงของโลกโลกเปลี่ยนไปสมัยก่อนเรายึดปฏิทินทางจันทระกติเพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศอื่น เราไม่ได้ทำทำมาค้าขายกับประเทศอื่นแต่สมัยนี้เราต้องทำมาค้าขายกับประเทศอื่นแล้วประเทศอื่นเขาใช้ปฏิทินทางสุริยคติก็คือเขาถือวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดการทำงานเราก็ต้องถือวันเสาร์วันอาทิตเป็นวันพระแทนเพื่อที่เราจะได้มาบำเพ็ญบารมีกันเพราะถ้าเราไม่บำเพ็ญบารมี เราก็จะไม่มีความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจนอกจากไม่เจริญก้าวหน้าก็อาจจะถดถอยอาจจะเสื่อมลงไปก็ได้ดังนั้นเราจึงต้องพยายามผลักดันตัวเราเองพยายามตั้งสัจจะอธิษฐานพยายามสร้างวิริยบารามีพยายามสร้างขันติบารามีไว้ในการผลักดันจิตใจของเราให้ได้สร้าง สิ่งที่ดีสิ่งที่จะทําให้ใจของเรานั้นจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือ ง, องขึ้นไปตามลําดับจนถึงขั้นสูงสุดก็คือให้เราหมั่นจเจริญเมตตาบารมีมันจเจริญทานบารมีมันจเจริญศีลบารมีมันจเจริญในขัมมะบารมีมันจเจริญอุเบกขาบารมีมันจเจริญปัญญาบารมีเพราะบารมีเหล่านี้แหละที่จะเป็นเหตุ ที่จะทำให้เกิดมากผลนิพพานขึ้นมาไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดได้นอกจากการบำเพ็ญบารมีทั้งสินี้เท่านั้นดังนั้นก็ขอให้ท่านจงใช้ปัญญาพิจารณาในช่วงเข้าพรรษานี้ว่าจ ะ, จะเจริญจะสร้างบารมีกันแบบไหนดีอย่าปล่อยให้เวลาอันมีค่าของชีวิตนี้ ผ่านไปโดยไม่ได้สร้างบารมีเพราะเมื่อเพื่อเพราะว่าเมื่อไม่มีเวลาแล้วต่อไปก็จะสร้างไม่ได้ถ้าชีวิตนี้ถึงจุดจบแล้วก็จะไม่สามารถสร้างบารมีได้ก็จะต้องรับผลที่เราทำเราทำได้เท่าไหร่เราก็จะได้รับเท่านั้นถ้าเราสร้างมากเราก็จะได้ผลมากถ้าเราสร้างน้อยเราก็จะได้ผลน้อย ถ้าเราสร้างได้อย่างเต็มที่เราก็ได้ผลอย่างเต็มที่อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านได้ผลกันท่านสร้างอย่างเต็มที่ชีวิตของท่านอุทิศให้กับการสร้างบา ร, รมีท่านออกบวชทาสร้างทานบา ร, รมีด้วยการฉละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็ออกบวชเพื่อสร้างศีลสร้างเนคัมมะบา ร, รมีแล้วก็สร้างอุเบกขาบา ร, รมีสร้างปัญญาบา ร, รมี ด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ด้วยความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรด้วยความอดทนท่านจึงได้รับผลอันสูงสุดภายในชาตินี้เลยไม่ต้องรอมาสร้างบา ร, รมีกันเป็นกลับเป็นกันนานนานจะมีพระพุทธศาสนาที่จะมาบอกทางที่จะสอนให้เราสร้างบา ร, รมีให้ได้ผลภายในชาตินี้เลย ถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้วิธีการสร้างบา ร, รมีต่างๆเหล่านี้เราก็จะลองผิดลองถูกไปแล้วก็จะไม่มีวันที่จะได้ได้รับมรรคผลนิพพานภายในชาตินี้กันมีชาตินี้เท่านั้นที่เราจะมีโอกาสอย่างนี้นานๆจะมีโอกาสอย่างนี้สักครั้งหนึ่งเราจะไม่ควรที่จะปล่อยให้โอกาสอันดีงามนี้ผ่านไป อย่าให้ความหลงอย่าให้ตัณหาความอยากมาหลอกให้เราไปสร้างสิ่งต่างๆที่ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่จิตใจของเราที่เป็นโทษแก่จิตใจของเราที่จะสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจของเราเลยให้เรามาสร้างสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจของพวกเราดีกว่าก็คือการสร้างบา ร, รมีทั้งสิบประการนี้ถ้าเราสร้างแล้วรับรองได้ว่าผลจะปรากฏขึ้นมา ภายในพบนี้และชาตินี้เลยเป็นอาการลิโกคือไม่ต้องรอการเวลาทำเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยัาิวาือวาหาตุราฟาริโุเรนติสกาการัง เอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจิตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปันนะระโสยถามนิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินะสตุ มาเตผวะตวันตาลาโยสุขีทีคายุโกภวะอาพิวาธนสีลิสนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมาวะทานติอายุวโนูสุขังภาลา ต อ, อไนี้ก็จะให้ท่านที่ต้องการจะถามปัญหาได้ถามถ้าอยู่ข้างล่างก็เชิญขึ้นมาถามข้างบนก็มีไมโครโฟนให้ท่านไว้ได้พูดเพื่อผู้ฟังจะได้ยินคำถามด้วยไม่อย่างนั้นจะได้ยินแต่คำตอบถ้าไม่มีก็จะให้ถามทางอินเทอร์เน็ต ครับอาจารย์ครับวันนี้ระหว่างนั่งฟังธรรมก็เกิดอุบายและสภาวะธรรมครับคือว่าอ่าที่พระอาจารย์ได้เทศไว้ตลอดว่าเวลาฟังธรรมเนี่ยเราต้องจิตจดจ่ออยู่กับคําที่แสดงออกมาแล้วปกติเวลาถ้าเรานั่งหลับตาขับสมาธเนี่ยหลายครั้งที่หลับครับพอาจารย์ mm hmm. วันนี้ก็เลยนั่งฟัง ด้วยการลืมตาแล้วไม่ได้อยู่ในอิริยาบถขับสมาธิซึ่งกลายเป็นว่าฟังธรรมได้เข้าใจพิจารณาตามได้ดีกว่าเดิมโดยที่สิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นใบไม้ต้นไม้ก้อนหินหรือคนเดินผ่านกลายเป็นธาตุที่เราไม่มีความสนใจปล่อยอุเบกขาทั้งหมดแต่อ่า ลืมตาก็ทำให้ไม่หลับครับแล้วก็เข้าใจมากขึ้นครับอาจารย์ก็ต้องพยายามรักษาสถานภาพนั้นไว้ต่อไปด้วยการเจริญปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาเวลาที่ใจเริ่มกลับไปเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นข้าวของต่างๆก็ต้องให้ใจสอดสอดให้ปัญญาสอนใจว่ามันเป็นเพียงธาตุธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันเป็น ของไม่เที่ยงมีเกิดมีดับเพื่อที่จะได้สกัดความหลงความอยากในสิ่งต่างๆเพื่อที่จะได้รักษาความวางเฉยของใจไว้ต่อไปเป้าหมายก็คือต้องการให้ใจวางเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรืออยู่นอกสมาธิก็ให้เป็นเหมือนกันเราวางเฉยในสมาธิได้เราต่อไปเราต้องวางเฉยเวลาออกจากสมาธิได้ อันนั้นเป็นหน้าที่ของปัญญาที่จะทําให้ใจวางเฉยได้เพราะว่าเวลาใจสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเหตุการณ์ต่างๆสัญญาต่างๆก็จะโผล่ขึ้นมาสังขารความคิดปรุงแต่งก็จะโผล่ขึ้นมาตามสัญญาสัญญาเก่าเรามาจะมองเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งที่มีคุณค้ามีอะไรต่างๆทําให้เราหลงยึดติด เราก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันมันไม่ได้มีคุณค่ามันไม่ได้เป็นสุขมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราแล้วเราก็จะรักษาความวางเฉยได้มีปัญหาไหมครับต่อไปเป็นคําถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติพิชาโตนะครับคําถามแรกจากคุณธีรพัฒนะครับหากบางครั้ง เราเกิดเผลอคิดลบลูผู้อื่นแต่ไม่ได้พูดจะมีโทษหรือไม่และถ้าผู้นั้นเป็นพระอริยะจะมีโทษหรือเปล่าถ้าเรายังไม่ได้มีการกระทำทางกายทางวาจา ก, ก็ยังไม่มีโทษแต่ถ้าเรามีความคิดที่ไม่ดีมันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญธรรมของเราเจริญความดีงามของเรา เพราะถ้าเราไปมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อผู้ที่ เ, เป็นพระอริยะก็แสดงว่าเราจะไม่อยากจะเข้าหาท่านไม่อยากจะเข้าใกล้เมื่อเราไม่เข้าหานักปราชญ์เราก็จะไม่ได้ประโยชน์นะ่างนั้นเวลาที่เรามีความคิดไม่ดีลบหลู่ใครก็ขอให้เราลบมันออกไปเสียอบอกว่านี่เป็นความคิดที่ไม่ดี เราไม่ควรที่จะไปลบหลูใครทั้งนั้นเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาดีหรือไม่ดีก็ขอให้ปล่อยให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมไป응เขาทำความดีผลเขาก็ทํางเป็นคนรับผลดีเขาทําความไม่ดีเขาก็ต้องเป็นคนรับผลของความไม่ดีของเขาเราไม่ได้เป็นผู้ที่จะให้ผลดีผลเสียกับเขา응แต่เรากลับจะทําให้เรานี้ไม่ดี เราอาจจะพูดไม่ดีทําไม่ดีก็จะทําให้เกิดความเสียหายกลับมาหาเราหรือว่าถ้าเราไม่พูดไม่ดีทําไม่ดีก็เป็นอาจจะเป็นอุปสรรคขวางกัน้นให้เราไม่ได้เข้าหาคนดีได้คนที่เขามีคุณมีประโยชน์กับเราคําถามข้อต่อไปจากคุณตุ๊กนะครับจะทราบได้อย่างไร ว่าความรู้ความเข้าใจด้านการปฏิบัติความเห็นจริงเกิดขึ้นมาโดยสัญญาหรือโดยปัญญาถ้าเป็นสัญญาก็จะรับความอยากไม่ได้เวลาเกิดความอยากแล้วอย่า ง, งรับความอยากไม่ได้ก็แสดงว่าความรู้นั้นเป็นสัญญาถ้ารับความอยากได้ก็เป็นปัญญาเช่นเวลาอยากจะฆ่าใครแล้ว หยุดไม่ได้ไปฆ่าเขาอย่างนี้ก็แสดงว่าความรู้ที่รู้ว่าการฆ่าผู้อื่นนี้ไม่ดีเป็นโทษก็เป็นความรู้ที่ยังไม่เป็นปัญญาถ้ารู้ว่าฆ่าแล้วไม่ดีเป็นโทษเป็นกับเราแล้วเราไม่ฆ่าเรายับยั้งได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาขึ้นมาคำถามข้อต่อไปนะครับช่วงก่อนไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรม มักหลงผิ ด, ผดในบางเรื่องหรือบางครั้งยินดีไปกับคำสรรเสริญเยินยอแต่เมื่อเริ่มกลับมาปฏิบัติธรรมความหลงต่างๆก็หายไปมากส่วนคำสรรเสริญเยนยอเมื่อได้ยินก็จะยินดีแต่จะไม่หลงไปกับมันในลนะักษณะรู้แล้ววางยินดีแล้ววางสาเหตุหลักเกิดจากสิ่งใดเวาเราภาวนา จิตใจเราก็จะสงบลงใจสงบลงความโลภความโกรธความหลงก็จะสงบตัวลงตามตอนนั้นเองแต่ยังไม่ตายเพียงแต่ว่ามันก็ทําให้ความโลภความโกรธความหลงมันเบาบางลงไปพอเราหยุดปฏิบัติเดี๋ยวความโลภความโกรธความหลงนี้ก็จะฟื้นกลับคนืนขึ้นมาได้ อย่างที่ได้พูดไว้ว่าหินเป็นเห็นทับย่าเวลาเราบําเพ็ญเราปฏิบัติการรัสติกควบคุมความคิดนั่งสมาธิทําใจให้สงบความโลภความโกรธความหลงก็จะเบาบางลงไปความสุขก็จะมีเพิ่มขึ้นความปล่อยวางวางเฉยก็จะมีแต่พอเราหยุดปฏิบัติไปเดี๋ยวความโลภความโกรธความหลงก็จะกลับคืนมาความวุ่นวายใจก็จะกลับคืนมาต่อ ถ้าเราอยากจะให้ใจเราสงบให้เย็นเราก็ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถ้าอยู่ในระดับของสมาธิก็จะเป็นแบบชั่วคราวไปเวลาใดที่เราเลิกปฏิบัติเดี๋ยวความโลภความโกรธความหลงก็จะฟื้นกลับขื้นมาถ้าเราต้องการให้ความโลภความโกรธความหลงนี้หายไปอย่างถาวรก็ต้องปฏิบัติในระดับปัญญาถ้าเรามีปัญญา เราก็จะสามารถระงับความโลภความโกรธความหลงได้อย่างถาวรพอได้ปัญญาแล้วความโลภความโกรธความหลงหมดแล้วทีนี้เราหยุดปฏิบัติมันก็จะไม่เฟื่องขึ้นมาอีกเช่นเราไม่ปฏิบัติอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระนี้หลังจากที่ท่านได้ทำลายความโลภความโกรธความหลงหมดไปจากใจแล้วท่านไม่ต้องปฏิบัติอีกแล้วการ เดินจมกลมการนั่งสมาธิของท่านนี้กลายเป็นกิริยาเป็นการพักผ่อนกายพักผ่อนใจไปเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เป็นการที่จะมาะชำระสาสามควา ม, ความโลภความโกรธความหลงเพราะว่ามันหายไปหมดแล้วมันไม่มีวันฟื้นขึ้นมาได้แล้วเพราะมันถูกถอนรากถอนโคนแล้วถ้าอยู่ในระดับปัญญาแต่ถ้าอยู่ในระดับสมาธินี้มันยังเป็นระดับที่ยังฟื้นขึ้นมาได้ ระดับสมาธิเราจึงเรียกว่ายังเป็นระดับโลกิยะอยู่ส่วนระดับปัญญานี้เราเรียกก็เป็นระดับโลกุตระคือโลกิยะก็เคยยังติดอยู่ในโลกนี้ยังติดอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ส่วนโลกุตระนี้เป็นการหลุดออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เหนือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดจะอยู่ในโล ก, กุตระได้นี่ต้องใช้ปัญญา ต้องเห็นอริยสัจสี่ต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งมีอยู่สี่ระดับโลกุตรธรรมก็คือโสดาบันสกิฬาคามีอนาคามีอราหารันนีนี่คือระดับโลกุตรธร ร, รมต้องเกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยาาสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมากถึงจะ อยู่เหนือโลกได้ถึงสามารถทำลายกิเลสตัณหาตัวที่เึิจิตใจผูกจิตใจให้ติดอยู่กับโลกโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเช่นเวลานั่งสมาธิจิตสงบก็ขึ้นไปถึงระดับสูงสุดของโลกียะก็เกิดระดับพรหมโลกแต่เป็นการขึ้นไปด้วยการกดกิเลสตัณหาไว้ด้วยสติเวลาจิตถูกอ้างับความคิดปรุงแต่ง กิเลตันหาความโลภความโกรธความหลงก็ถูกลั ง, งับไปแต่พอสติอ่อนหรือเผลอสติไม่จับ牢สติต่อจิตก็จะคิดปรุงแต่งพอคิดปรุงแต่งความโลภความโกรธความหลงก็จะฟืน้นเกิดขึ้นใหม่ส่วนถ้าเราลั ง, งับด้วยปัญญาถึงแม้ว่าจิตจะคิดปรุงแต่งจิตจะไม่คิดปรุงแต่งไปในทางโลภโกรธหลงจะไม่คิดไปในทางความอยากต่าง ก็เห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงเห็นโทษของของตัณหาความอยากว่าไม่ได้นํามาสู่ความสุขแต่นํามาสู่ความทุกข์ผู้ที่เจริญปัญญาถึงจะถึงจะไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไปที่เดชจะไม่มีวันที่จะฟื้นกลับขื้นมาได้ค่าตัวไหนแล้วตัวนั้นก็จะไม่มีวันฟื้นขึ้นมาพระโสดาบันก็ฆ่าได้บางตัวพระสกิรดาคารมีก็ฆ่าเพิ่มได้ นิดอึอีกส่วนหนึ่งพระอนาคามีก็ค่าเพิ่มได้อีกส่วนหนึ่งมีพระอราหานต์ที่จะค่าได้ทั้งหมดเลยพอค่าหมดแล้วก็ไม่มีวันที่จะเสื่อมอีกต่อไปไม่มีวันที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันนี้ขึ้นอยู่ที่ปัญญาที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดเจริญก็ไม่มีวันที่จะขึ้นสู่ระดับโล ก, กุตระได้ จะปฏิบัติได้เพียงระดับโลกิยะอย่างสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอยู่ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ติรูปท่านก็ได้แค่ระดับโลกิยะคือได้ระดับสมาธิเท่านั้นแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันมีขั้นสูงกว่านี้เหนือกว่านี้ต้องหาให้เจอแล้วในที่สุดท่านก็หาเจอเจออริยสัจสี่เจอตายรักนี้เอ พอเห็นอนิยัสสัจสีเห็ตายละก็ตัดตันหาความอยากตัดกิเลสความโลภโกรดหลงไปให้หมดไปจากใจได้พอหมดแล้วก็ไม่มีพบชาติเพราะว่าตัวที่ดึงให้จิตมาเวียนว่ายตายเกิดก็คือตัวโลภโกรดหลงนี้เองตัวตันหานี่เองอผลผลจากการกลับมาปฏิบัติธรรมมากขึ้นครับอาจารย์คือช่วงก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรม แต่เราก็พอเห็นจุดด้อยของเราคือเรื่องฝีข้อมุอสาซึ่งเป็นข้อ p พ r ร์เจอร์แล้วพอเราเริ่มกลับมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนว่าเราเห็นข้อมุสาเหมือนเดิมแต่ว่ามันมีกำลังมากขึ้นที่จะรักษามันไว้ได้ทำให้เราเริ่มส ง, งบปากส ง, งบคำเริ่มรู้จักวางกริยาใหม่ให้ไม่มีความฟุ้งซ่าน เป็นจากการที่ได้เริ่มกลับมาปฏิบัติธรรมครับพระอาจารย์ธรรมที่สําคัญในการปฏิบัติก็คือสตินี่ถ้าเรามีสติเราก็จะควบคุมการกระทําต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นความคิดการพูดหรือการกระทําทางร่างกายอย่างที่เมื่อกี้ได้เปรียบเทียบ ว, ว่าเวลาดื่มสซดาแล้วไม่มีสติก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดไม่สามารถควบคุมการพูดการกระทําได้ คนเดื่มสุรายามาก็มักจะทำในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เสียหายแต่คนที่ไม่ดื่มสุรายาเมาก็จะสามารถที่จะควบคุมความคิดการพูดการกระทำได้ก็จะสามารถรักษาศีลได้ด้วยอำนาจของสติในเบื้องต้นและปัญญาคือเห็นโทษของการกระทำที่ไม่ดีทำไปแล้วนาความทุกข์ความเสียหายมาให้กับตนเองและผู้อื่น คำถามข้อต่อไปพระอาจารย์อาจจะตอบไปแล้วนะครับแต่ก็จะถามนะครับเข้าพรรษานี้หากเรามิได้บวชเป็นพระพิสุชาวพุทธควรปฏิบัติตัวอย่างไรระหว่างพรรษาและอยู่ในกรอบการปฏิบัติที่คารวะสามารถทาได้ทั้งหญิงและชายเพื่อให้สามารถเรียกตนเองได้ว่าเป็นชาวพุทธที่ดีก็อย่างที่ได้เทศมาตลอดเกือบชั่วโมงหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่อง คำถามนี้เองขอให้กลับไปฟังดูก็แล้วกันก็คือให้เราตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเราจะทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นจากปกติที่เราเคยทำอยู่หรือทำให้มากขึ้นจากปกติที่เราเคยทำอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราแต่ละคนจะต้องพิจารณาดูตามกำลังดูตามเหตุตามปัจจัยของเราว่าเราสามารถที่จะ ปฏิบัติเพิ่มได้มากน้อยเพีงยงไรก็ให้ปฏิบัติไปเพราะแต่ละคนก็ยังมีภาวะที่ต่างกันบางคนมีความรับผิดชอบมีความผูกพันมีเรื่องราวต่างๆมากก็อาจจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้มากคนที่ไม่มีภาระไม่มีอะไรผูกพันมากก็สามารถที่จะปฏิบัติได้มากกว่าอันนี้แต่ละคนก็ต้องพิจารณาดูว่า อันไหนเหมาะกับตนอันนี้ก็เรียกว่ามัชชิมาเหมือนกันคือทางสายกลางเราต้องทำให้มันเหมาะกับกำลังของเราถ้ามันมากเกินไปหนักเกินไปเราก็จะทำไม่ไหวเราก็จะเกิดความท้อแท้ได้ถ้ามันถ้ามันน้อยเกินไปเราก็จะไม่ได้รับผลที่เราควรจะได้รับได้รับผลน้อยทั้งๆ ท, ที่เราทำได้มากกว่าแต่เราไม่ทำ ผลที่เราจะได้รับก็เลยจะได้น้อยกว่าถ้าเราทำมากกว่าอันนี้ก็ต้องใช้วินิจฉัยเอาแล้วกันว่าเราทํรายได้ก็ทำไปตั้งศาัจาอธิษฐานแล้วก็ทาไปตามกำลังของเราครับต่อไปเป็นคำถามที่มูที่มีผู้เขียนฝากถามมานะครับข้อแรกนะครับ ในการนั่งสมาธิและเดินจงกรมเมื่อปฏิบัติไปได้สักพักใหญ่เลา่เลาๆสักสองชั่วโมงจิตรวมลงสู่สมาธิแล้วต้องทำอย่างไรต่อไปเวลาจิตรวมลงก็ให้อยู่เฉยๆให้ปล่อยให้จิตอยู่ตามตามสภาพของเขาเพราะเป็นเวลาที่เราได้บรรลุผลของการปฏิบัติสมาธิแล้วนั่นเองการนั่งสมาธิก็เพื่อให้จิตนังงับความคิดตวงแต่ง ให้จิตได้พักผ่อนให้จิตได้เสพความสุขที่ได้จากความสงบอันนี้ก็มันก็จะอยู่ของมันไปตามกำลังของสติที่เรามีอยู่ใหม่ๆก็จะอยู่เพียงเดียวๆที่เรียกว่าคานิกะสมาธิถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจเจริญสติอย่างต่อเนื่องต่อไปจิตก็จะสงบนานขึ้นนานขึ้ น, น, น, นไปตามลาดับเขาจะอยู่ได้นานไม่นานเราก็อย่าไปยุ่งกับเขา ป่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติเหมือนกับตอนที่เรานอนหลัเวลาเรานอนนี่เราไม่ไปยุ่งกับร่างกายถึงเวล า, ากับร่างกายพักผ่อนพอแล้วเขาก็จะตื่นขึ้นมาเองนั้นใดจิตก็เหมือนกันจิตที่ว่าต้องการกับการพักผ่อนและจิตจะพักได้นานไม่นานก็ขึ้นอยู่กับกําลังของสติที่เราได้เจริญไว้ถ้าเจริญสติมากจิตก็จะพักอยู่ได้มาก ถ้าจิตพั้งอยู่ได้มากจิตก็จะเย็นมีอุเบกขามากเวลาออกจากสมาธิมาแล้วอุเบกขาก็จะอยู่นานถ้ามีอยู่ถ้าเข้าไปในสมาธิเดี๋ยวเดียวออกมาอุเบกขาก็จะอยู่ไม่นานเหมือนกับเราน้ําเข้าไปแช่ในตู้เย็นถ้าเราแช่ห้านาทีออกมาน้ําเดี๋ยวเดียวก็หายเย็นหรือยังไม่ทันเย็นเสียได้ซ้ําไปแต่ถ้าเราแช่ไม่นาน พอเราออกมาที่ไม่ข้างนอกมันก็ยังจะเย็นนานเนความเย็นของใจหรือความอุเบกของใจนี่แหละที่จะเป็นฐานของปัญญาให้เราสอนใจให้ระ ง, งับตัณหาความอยากต่างๆถ้าใจเราไม่เย็นใจเราไม่มีอุเบกานี่เราจะพิจารณาทางปัญญาไม่ได้เพราะพอออกมาจากสมาธิปั๊บกิเลสตัณหาก็จะโผล่ขึ้นมาพอโผล่ขึ้นมา หมายถึงว่าถ้าอยู่ในสมาธิเดี๋ยวๆพอออกจากสมาธิมากิเลสตัณหาก็จะโผล่ขึ้นมาก็จะดึงใจให้ไปคิดตามกิเลสตัณหาทันทีแต่ถ้าอยู่ในสมาธิได้นานเวลาออกจากสมาธิใหม่ๆในกิเลสตัณหายังไม่โผล่ขึ้นมาตอนนั้นใจก็จะเฉยๆถ้าเราไม่สั่งให้คิดไปในทางปัญญามันก็จะไม่คิดไปในทางปัญญา มันก็จะไม่คิดไปในทางกิเลสเพราะตอนนั้นกิเลสไม่มีกําลังยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาดงั้นเวลานั้นจึงเป็นเวลาที่เราควรที่จะดึงมาคิดไปในทางปัญญาสอนให้คิดใหม่ๆมันจะคิดไม่เป็นทางปัญญาเราต้องสอนมันสอนให้มองอ น, นิจจังเช่นะให้ดูร่างกายให้ดูสิ่งต่างๆว่าไม่เที่ยงมีประการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสือ่อมให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนกันหมด สเพสร้างข้าราอนิจจาสงขารั้งหลายก็คือสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือเป็นสิ่งของต่างๆนี่เป็นเหมือนกันหมดคือมีส่วนที่จเจริญแล้วก็มีส่วนที่เสื่อมมีตอนที่จเจริญแล้วก็มีตอนที่เสือ่อมเช่นเราดูดอกไม้ก็ได้ถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบดอกไม้เวลาบานใหม่ๆก็สวยงามพอเราตัดเอามา สายจากการทิ้งไว้สักสองสามวันมันก็เหี่ยวมันก็เฉาลงไปร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันร่างกายของเราเวลาเกิดมาก็แต่งตึงสดชื่นเบิกบานสวยงามแต่พออยู่ไปนานๆเข้ามันก็เสื่อมลงไปเสื่อมลงไปต่อไปความสวยงามอะไรต่างๆก็หมดไปเป็นเหมือนดอกไม้ บางท่านพิจารณาดอกไม้แทนพิจารณาร่างกายแล้วมาเปรียบเทียบกับร่างกายก็บรรลุทำได้เห็นความเจริญและเห็นความเสื่อมในในดอกไม้ก็เห็นความเจริญความเสื่อมในร่างกายต่างกันที่ตรงเวลานี้เท่านั้นเองร่างกายเสื่อมช้ากว่าด อ, อกไม้แต่มันก็เสื่อมเหมือนกันและเวลามันเสื่อมมันก็เป็นสภาพที่ไม่ได้ดูเหมือนกันนี่เราก็ เปนวิธีสอนใจให้คิดเปในทางปัญญาพยายามพิจารณาดูความเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะได้ไม่หลงคิดว่าสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้มาจะเป็นอย่างนั้นไปตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีวันเสื่อมและหมดไปได้ในที่สุดนี่คือการใช้ประโยชน์จากการได้อุบเบกขาจากใจ แล้วก็เป็นการรักษาอุเบกขาไว้ต่อไปด้วยได้ประโยชน์คือได้เจริญปัญญาแล้วพอได้เจริญปัญญาก็จะได้ใช้ปัญญานี้มารักษาอุเบกขาที่ได้จากสมาธิให้คงอยู่ต่อไปเพราะปัญญาจะคอยสกัดคอยทำลายตัณหาความอยากต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามีปัญญามันก็จะระงับตัณหาได้ พอระงับปัญหาได้อุเบกขาที่ได้จากสมาธิก็จะอยู่ต่อไปถ้าเราสามารถระงับปัญหาทุกตัวได้หมดอุเบกขาก็จะอยู่อย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิพระพุทธเจ้าพระสาวกนั่งสมาธิไม่ได้นั่งเพื่อกลับเข้าไปหาอุเบกขาท่านมีอุเบกขาอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนกับพวกเราที่อย่าง ไม่มีอุเบกขาเวลาเราต้องการอุเบกขาเราก็ต้องนั่งสมาธิพอ เ, เข้าไปในสมาธิก็ได้อุเบกขาพอออกมาจากสมาธิเราไม่รู้จักวิธีรักษามันเดียวเดียวมันก็หายไปแล้วเราต้องการอุเบกขาใหม่เราก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่แต่ถ้าเรารู้จัก ร, รักษามันด้วยปัญญาต่อไปเราไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเพราะอุเบกขาเพราะปัญญาจะรักษาอุเบกขาให้มีอย่างต่อเ น, นื่ ry, องต่อไปได้ นี่คือความสำคัญของการเจริญปัญญาเพราะจะทำให้เราได้อุเบกขาอย่างถาวรทำให้เราทําลายกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงได้อย่างถาวรต้องทําลายด้วยปัญญาเท่านั้นต้องเห็นปลายล้ต้องเห็นอริยสาาัจสีข้อต่อไปนะครับการอุทิศบุญหรือการทำบุญแบบใดที่จะมีอ น, นิสงส์สูงสุดให้แก่บรรพบรุษ หรือญาติผู้ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรที่จะทำให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับผลบุญอย่างแท้จริงผู้ที่ล่วงลับไปได้นี้เขารับได้เพียงแต่บุญที่เกิดจากการทำทานทานั้นบุญเพราะบุญที่เกิดจากการทำทานนี่ก็เป็นเหมือนอาหารทิพตเป็นเหมือนเงินทองทิพตที่ที่จะให้ผู้ที่อยู่ในโลกทิพตได้ใช้จ่ายได้ ผู้ที่อยู่ในโลกทิพที่ต้องรอรับส่วนบุญนี้ก็เป็นพวกที่เรียกว่าขอทานตายไปแล้วไปเกิดเป็นเปรตนี่พวกเปรตนี่ถือว่าเป็นขอทานเพราะว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่สนใจกับการทําทานไม่สนใจกับการรักษาศีลพอตายไปก็เลยต้องไปเกิดเป็นเปรตแล้วก็ไม่มีทรัพย์ไม่มีเงินทองติดตัวไปถ้ามีความ เชื่อในบุญในกรรมเชื่อว่าสวรรค์มีจริงนรกมีมีจริงเปรตมีจริงเทวดามีจริงก็จะหมั่นรักษาศีลหมั่นทำทานอยู่เรื่อยๆพอตายไปก็จะไปเป็นเศรษฐีทางจิตวิญญาณก็คือเป็นเทวดาเพราะมีทรัพย์คือทรัพย์ทิพย์ติดตัวไปเรืยเรียกว่าทรัพย์ภายในบุญนี่แหละคือทรัพย์ทิพย์อาหารทิพย์ที่เราจะสามารถเอาไปใช้ ใช้สอยจับจ่ายชื่อรูปเสียงกลิ่นรสได้คือรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ได้ก็ได้ไปเป็นเทวดาถ้าไม่มีเงินไม่มีบุญก็ไม่มีก็ไปเป็นเทวดาไม่ได้ก็ต้องไปเป็นเปรตแทนถ้าทําบาปด้วยถ้าไม่ได้ทําบาปไม่ได้ทาบุญก็ไม่ต้องไปเป็นไม่ได้ไปเป็นเทวดาไม่ได้ไปเป็นเปรตก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยากที่จะ ที่จะมีคนที่ไม่ทําบุญไม่ทําบาปเท่าๆกันส่วนใหญ่มักจะต้องมีอะไรมากกว่ากันถ้าบาปมากกว่าบุญก็ไปเป็นเปรตถ้าบุญมากกว่าบาปก็ไปเป็นเทพเป็นเทวดาเฉะนั้นสิ่งที่อุทิศได้เพียงอย่างเดียวก็คือทานที่เราที่เราทํานี้เราก็อุทิศไปทํามากก็อุทิศได้มากทําน้อยก็อุทิศได้น้อย เหมือนกับเราพาคนที่ขอทานไปกินอาหารเราพาไปกินข้าวแกงข้างถนนก็ได้เราพาไปกินอาหารในโรงแรมก็ได้อยู่ที่เราเราอยากได้กินระดับไหนเราก็พาก็าไปกินตามสถานที่นั้นเราทำทานน้อยก็เหมือนกับให้อาหารทิพย์เขน้อยถ้าเราทำทานมากเราก็ให้อาหารทิพย์เขมากถามต่อข้อต่อไปนะครับ การนั่งสมาธิเดินจงกรมถือเป็นการปฏิบัติบูบชามีอานิสงค์แห่งบุญอย่างไรบ้างพอที่จะนําไปบอกกล่าวลูกหลานให้มาปฏิบัติก็จะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นในความทุกข์น้อยลงซึ่งความสุขที่ได้จากการปฏิบัติก็เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการทางตาหูจมูกจีนกายอ่านกันตรงนั้น ข้อต่อไปนะครับผู้ที่จะเข้าถึงกระแสแห่งพระโสดาบันได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรกันต้นก็ต้องมีจิตที่สงบเป็นอุเบกขาแล้วก็เจริญปัญญาพิจารณาขันห้าว่าไม่ใช่ตัวเราของเราว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ คือต้องปล่อยวางคันห้าปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาให้ได้ร่างกายะจะแก่จะจ ะ, จะเจ็บจะตายก็ต้องปล่อยวางไปเวทนาจะทุกข์ก็ต้องปล่อยให้ทุกข์ไปเพราะเราไปแก้เขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่มเขาไม่ได้ให้รู้เฉยๆแล้วปล่อยวางแล้วใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะเห็นอริย ส, สัจสีเห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากของเราเอง อยากให้ในสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นนิจจังอยากให้สิ่งที่เป็นอนัตตาเป็นอัตตาอยากให้สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสุขเนะท่านั้นเองพอเห็นความจริงแล้วก็จะก็ปล่อยวางได้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับของร่างกายและของเวทนาได้คำถามข้อสุดท้ายเป็นคำถามที่ใกล้เคียงกับคำถามที่ผ่านมานะครับ การถือศีลแปดควบคู่กับการปฏิบัติเดินจงกรมและนั่งสมาธิเราสามารถอุทิศบุญกุศล น, นี้ให้แก่ผู้ตายหรือเจ้ากรรมในเวรได้หรือไม่เขาจะได้รับหรือเปล่าเห็นมีคนบอกว่าการถือศีลและภาวนาเป็นบุญของคนเป็นคนที่ปฏิบัติไม่สามารถอุทิศบุญนี้ให้แก่ผู้ตายได้เพราะศีลและภาวนาเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนเป็นทําแทนกัน หรืออุทิศบุญนี้ไปให้ผู้ตายไม่ได้จริงหรือไม่ถ้าจะอุทิศให้ผู้ตายต้องไปบริจาคทานเป็นวัตถุสิ่งของเช่นเสื้อผ้าอาหารแล้วอุทิศผลบุญนี้ไปให้เขาถึงจะได้รับใช่เพราะว่าผู้ที่เขาหลอดรับส่วนบุญเขาต้องการอาหารเป็นหลักเขายังไม่มีเรื่องมีแรงที่จะไปปฏิบัติธรรมได้ต้องกินอาหารก่อน ถ้เาเขากินอาหารได้แล้วเขาก็พน้นจากสภาพการเป็นขอทานเขาก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็จะปฏิบัติธรรมได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะอุทิศให้ผู้ตายที่รอรับส่วนบุญได้นี่ก็มีพวกเกี่ยวกับปัจจัยสีนี่เองที่เราทำทานนียสิ่งต่างๆที่เราทำด้วยทานนี้เราอุทิศให้กับเขาได้ แต่สิ่งอื่นนี่เขาไม่มีความสามารถที่จะรับได้เพราะเขาไม่อยู่ในฐานะเหมือนกับก่อนที่เราจะให้คนมานั่งสมาธิได้เราต้องให้เขากินข้าวก่อนถ้าเขาหิวข้าวไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเขาจะไม่มีการดีกระจายที่อยากจะมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิสิ่งที่เราต้องให้เขาก่อนก็คือต้องให้อาหารให้เขามีกาลังก่อนให้เขาเปลี่ยนสภาพจากการเป็นเป็เดจากการเป็นขอทาน ให้กลับมาเป็นมนุษย์ก่อนให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าเจอเขาก็สอนก็ให้ปฏิบัติที่เขาจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็เรื่องของเขาอีกแหละบางทีเขาก็ไม่สนใจที่จะปฏิบัติพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็าอยากจะไปหาเงินหาทองอยากจะไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มเราก็ทําอะไรไม่ได้หม ด, หมดแล้วนะ ถ้าถ้าผู้ที่ล่วงรับไปแล้วไปอยู่ในภพภูมิที่ดีแล้วสูงแล้วเจ้าค่ะเออ่ถ้าเราอุทิศส่วนกุศลไปอันนี้เป็นการจเขาจะจําเป็นต้องได้รับหรือเปล่าเจ้าค่ะเขาไม่ร <c oughs> ับหอกเพราะว่าเขาเป็นเศรษฐีบุญแล้วบุญที่เราอุทิศไปเป็นเหมือนเงินที่เราให้ขอทานเราเอาเงินให้ขอทานที้ไปให้เศรษฐีเขาจะว่าอย่างไรเขาก็ยังมากก็อนุโมทนา ขอบคุณว่าออมีความออมีมีมีเจตนาที่ดีออมีความเอื่ออารีแต่เงินที่เราให้เขานี่มันไม่มีผลกระทบอะไรกับสถานภาพของเขาเพราะเขามีมากกว่าหลายร้อยหลายพันเท่าออแต่ถ้าเราให้กับขอทานนี่มั น, ม, นมันมีความสาคัญต่อสถานภาพเขาเพราะเขาสามารถเอาเงินที่เราให้นี้ไปซื้ออาหารกินได้ ดังนั้นถ้าเราอุทิศบุญไปแล้วผู้ที่เราอุทิศบุญเขาเป็นเทวดาถ้าเขาทราบเขาก็จะอนุโมทนาแสดงว่าการอนุโมทนาของเทวดาก็เหมือนมนุษย์คือว่าทําให้เขามีความสุขเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ก็ใช่ก็มีเท่านั้นแ่ะก็เขาก็เขาก็ยังมนุษย์กับเทวดาก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเทวดาไม่มีร่างหยาบมีแต่ร่างทิพย์เพียงอย่างเดียว ส่วนมนุษย์เรานี้มีทั้งสองร่างมีทั้งร่างทิพน้ำมีทั้งร่างหยาบอุทิศส่วนกุศลก็ควรอุทิศให้ตั่วถึ ง, งคือตั้วถึงกหมายถึงว่ายังมีสรรพสัตว์ที่ผู้ที่ไม่มีญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญอยู่อย่างที่หลวงตานำพาให้กระทำบุญเปิดโลกธา<ส>ตุในวันที่สามสิบพฤษภาคมอันนี้ท่านก็ชวนให้พวกเรามาทำบุญอุทิศให้กับพวกที่ไม่มีญาติกัน พรอพวกที่ตายไปนี่บางทีย่าเขาไม่ทําบุญก็มีเยอะแยะไปเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เขาก็ไม่มีการทําบุญพวกนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นถ้าเป็นนักโทษก็เวลาเป็นวันที่เขาเปิดให้ญาติมาเยี่ยมก็ไม่มีญาติมาเยี่ยม <c oughs> เราก็เลยต้องไปเป็นญาติให้ใหเขาแทนเราไปเยี่ยมนักโทษที่ไม่มีญาติกันแล้วเราก็เอาข้าวของเงินทองต่างๆไปให้นักโทษที่ไม่มีญาติ อันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราทําบุญเราก็อุทิศให้ทั้งกับคนที่เรารู้จักและคนที่เราไม่รู้จักทั้งศรัรพท์ศัพท์ทั้งหลายใครที่ต้องการมีโอกาสมีสิทธิ์มีมีมีความสามารถจะรับได้ก็มารับไปแต่ถ้าเราเจาะจงเราก็เจาะจงบุคคลที่เราต้องการอ่กล่าวที่ทําการอุทิศไว้ก่อนเช่นบุคคลนั้นบุคคลนี้เราก็กล่าวไปในใจของเราแล้วก็สรุปท้ายลงว่าถ้าไม่มีใครจะรับก็ให้ศรัรพท์ศัพท์ทั้งหลายไป เพราะว่ามีคนที่ตายไปเยอะที่เขาไม่มีญาติที่เชื่อในเรื่องทําบุญเรื่องอะไรกันพวกนี้เขาก็จะไม่มีคนส่งส่งสเสบียงไปให้ก็อาศัยคนใจบุญอย่างชาวพุทธเราเนี่ยอาศัยครูบาอาจารย์ที่มาสอนพวกเราให้พวกเรานอกจากทําทานให้กับคนที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ให้ทําทานกับคนที่ตายไปด้วยอเขาก็ไม่ใช่เป็นญาติของเรา เหมือนกับคนที่เราทำทานที่มีชีวิตอยู่เขาก็ไม่เป็นยากของเราแต่เราก็สงสารเขาเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราก็เราก็มีอะไรเราก็ให้เขาไปอันนี้ก็เหมือนกันทํากับคนที่มีชีวิตอยู่กับคนที่ตายไปแล้วก็เหมือนกันจะเป็นยากหรือไม่เป็นยากก็ไม่สําคัญอื์ คือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่จะรับได้ก็มีพวกเดีย ว, ว, ก, ยวก็คือพวกเปรตนี้พวกอื่นนี้เขาก็มีข้อจำกัดถ้าไปตกนรกก็ไม่สามารถออกมารับลูกได้ถ้าเป็นเดราชานเขาก็หากินของเขาเองได้ถ้าเป็นเทวดาเขาก็มีทรัพย์ของเขาเขามีบุญของเขาอง น, นั้นก็มีพวกเดียวก็คือพวกที่เรียกว่าเปรตนี่แต่เปรตนี้อาจจะไม่ใช่เป็นญาติกับเราก็ได้ ้าติาของเราไม่ได้เป็นเปรตเราทำบุญแล้วเราก็อดที่ท่ากับเปรตที่ไม่ใช่เป็นญาติของเราไปบุดแล้วใช่ไหมบุมดแล้วก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายแนะนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอ